เพราะฉะนั้นศีลก็คือการเข้าไปจัดการหรือไปปิดไปกัน้นห้ามไม่ให้สิ่งที่เกิดในความเสื่อมเนี่ยนะธรรมะที่เป็นไปในความเสื่อมมันเกิดขึ้นผู้ที่เริ่มจัดการกับชีวิตอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีมีศีลนะเพราะคนที่มีศีลเนี่ยจะไม่ปฏิบัติในข้อที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างแน่นอนอ น, นะถ้ามีศีลทีนี้คนที่จะมีศีลได้ก็เนื่องจากมีหิริและ โอตา ป, ปะเนี่ยนะมีฮิริโอตา ป, ปะฮิรินี้ละอายต่อทุจริตสามโอตา ป, ปะเกรงกลัวต่อทุจริตสามยิ่งแกยิ่งมีโอตา ป, ปะถ้ายิ่งมากก็โอตา ป, ปะมากขึ้นนะโอตา ป, ปะก็คือละกลัวบายนะว่าเอ๊ะนี่มันจะเดินทางวันนี้พรุ่งนี้แล้วนะกลัวทุกข์ข้างหน้าเวลาวันกลัวไหมใช่ฉช่ไม่กลัวแต่สู้ค่ะอ๋อกลไม่มีประโยชน์เล อ oh. สาธุขอให้เจริญด้วยพละอืคือเอกตรงนี้เนี่ยนะกลัวในสิ่งที่ควรกลัวเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เนั่นนะกลัวว่าเออคือไอ้คําว่ากลัวไม่ใช่แปลว่าแบบสะดุ้งหรือภัยอะนะมองสิ่งเหล่านั้นเป็นแบบ อ, อยังไงไม่ายว่าเข้าไปมีโทสะในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แต่มองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยน่ากลัว อันไอความกลัวบาปทั้งหลายเนี่ยท่านนับว่าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะมันมีโทษนะมันน่ารังเกียจมันน่ากลัวมันน่าไม่น่าที่จะเข้าไปไปได้รับวิบากหรือไปทําเหตุแบบนั้นที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ น, นะใน <c oughs> ความคิดอันนี้ท่านถือว่าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอความกลัวแบบนี้ควรกลัวให้มากๆ <c oughs> เช่นว่าเห็นเขาทําปาณาติบากรู้สึกกลัวขึ้นมาจับจิตใจเนี่ยอันนี้ควรเจริญเนี่ยนะ แล้วก็กลัวเหลือเกินที่จะทําบาปต่อไปอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ควรกลัวเป็นอย่างมากอนนะให้กลัวเข้าไว้เถอะอย่างนี้ไม่ผิดเนี่ยนะแต่ทีนี้โดยมากสัตว์นี่ไปกล้านในสิ่งที่ควรควรกลัวไปกลัวในสิ่งที่ควรกล้ากันนะมันตรงกันข้ามไปหมดเลยอ๋อสาธุสาธุอ่านะอวิชาไม่ได้สิ่งที่ควรได้ใช่ไหมไปกลัวในสิ่งที่ควรกล้า <G ül> ไปกล้าในสิ่งที่ควรกลัวเนี่ยนะก็เลยหลังจากมาเรียนตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอ้าวรแต่ยังมีปัญหา่ไปตแดตแดทีนี้สำคัญที่สุดนะซับข้อที่5้าเนี่ยสำคัญ ท, ที่ที่ว่าจะปฏิบัติได้ทั้งสข้อแรกนะอาศัยสุตะเนี่ยนะอาศัยสุตตะเป็นหลักคือถ้าเรียนไม่พอศึกษาไม่พอก็ยาก คำว่าสุตตะในที่นี้หมายถึงผู้ที่ทรงจําคําสอนเหล่านั้ น, น, นได้เนี่ยนะที่จะเรียกว่ามีสุตะเนี่ยนะไม่ใช่แแววแแววผ่านหูมาเนี่ยนะไม่ใช่แล้วก็อาศัยคนที่มีสุตะอย่างนั้นก็เรียกว่ามีจารหละอย่างอย่างเช่นมาศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้าไม่สละบางอย่างจะฟังธรรมได้ไหมไม่ได้เพรา ะ, ะนนคนที่จะศึกษาธรร ม, มะฟังธรร ม, มะเป็นต้นเนี่ยนะปฏิบัติธรร ม, มะพวกนั้นต้องมีจาราคือการ สละเพราะคําว่าสละสละสองอย่างสละทั้งวัตถุภายนอกกับภายในเช่นถ้าเรามาฟังธรรมอย่างนี้นะีผลประโยชน์ที่พึงเกิดขึ้นเพราะมาการฟังเนี่ยนะเออถ้าถ้าเราอยู่บ้านอาจจะได้งานบางอย่างใช่ไหมถ้าเรามางานนั้นก็อดถามว่าอันนั้นเราต้องสละออกไปใช่ไหมก็ต้องสละอันนั้นจ่าค่าอันนั้นก็ต้องก็ต้องมีเนี่ยนะบางทีก็จ่าค่าในด้านอื่นๆด้วยเนี่ยนะเพราะนั้นทรัพย์คือจ่าค่าเนี่ยการสละอันนี้ออกไปเนี่ย สัตย์โดยมากไม่ค่อยถือว่าเป็นเป็นทรัพย์เนี่ยนะเมื่อไหร่จะถือว่าสิ่งเหล่านี้คือทรัพย์นะนี่เป็นบุญแล้วนะที่เราได้สละออกไปเนี่ยนะเนี่ยเนะี่ยอ๋อคือเสียทั้งวัตถุภายนอกด้วยเธอถ้าวัตถุภายนอกนะเอาเอาอาริยทรัพย์มาจับแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ทรัพย์เพราะอะไรเพราะช่วยได้ช่วยไม่ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะคือช่วยไม่ได้อย่างแท้จริงเช่นอนะันนถ้าใครมีทองเนะี่ยใส่ตั้งกับหวัวจดเท้าเดินเข้า ทั่วไปหมดเลยนะถามมาซับเหล่านั้นช่วยจริงหรือว่าหรือว่าไม่ได้ช่วยจริงเนี่ยนะว่าใส่เสื้อมีแต่กระดุมเพชรหมดเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นเน่ยนะอาจจะ <c oughs> ร้องเรียกเพชฌขาดเข้ามาเร็วๆก็ได้นั่นนะแต่ถ้าบางอย่างถ้าสละได้แต่ของเราที่ฟังทำเนี่ยนะก็นับว่าสละมากนะห้างสรรพสินค้าในเชียงใหม่ก็ตั้งเยอะแยะเราก็สละไม่ยอมไปใช่ไหม ที่เที่ยวมีตั้งหลายแห่งก็เสียสละไม่ยอมไปอันนี้ก็นับว่าเป็นจาคะะอย่างหนึ่งของเราแล้วละ่ะที่เหลือก็ค่อยๆสละบาปอากุศลที่มีอยู่ในจิตให้ยิ่งๆขึ้นไปเพราะจาระสละทั้งภายในภายนอกด้วยและสละทั้งภายในด้วยแต่สำคัญที่สุดนะซับคือปัญญาทรับคือปัญญานั้นหมายถึงปัญญาที่รู้เหตุเกิดของวัตตะสงสารอย่างหนึ่งและก็รู้ความดับวัตตะสงสาร ที่ท่านใช้คําว่ารู้ความเกิดและความดับอันเป็นอริยะที่เป็นไปเพื่อการชำแรกกิเลสเพราะฉะนั้นหมายถึงคนที่มีปัญญารู้เหตุเกิดของวัตตะสงสารแล้วก็ความดับวัตตะสงสารอาจารย์สอนวัตตะสงสารมันเกิดได้ยังไงไม่พูดถึงเหตุแล้วเหตุของวัตตะมันเป็นยังไง เอางี้นะง่ายๆเลยเพลิดเพลินในสีเป็นเหตุให้มีตานะเพลิดเพลินในหูเป็นเหตุให้มีเสียงเพลิดเพลินในกลิ่นเป็นเหตุให้มีจมูกเพลิดเพลินในรสเป็นเหตุให้มีลิ้นเพลิดเพลินในโพธภาพเป็นเหตุให้มีกายเพลิดเพลิ น, Travel Travel Travel นในความนึกคิดทั่วๆไปเป็นเหตุให้มีใจต่อไปอนะอันนี้แหละเรียกว่าเหตุของวัตตะหรือหรือไม่แทงตลอดอริยสัตว์ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่คือเหตุของวตตะทีนี้เมื่อมองเห็น ไม่แทงตลอดอริยศัสตร์ด้วยเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ด้วยพอเห็นวนะ่าอะไรเกิดต่อกำไงกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันนี้ก็เป็นเหตุเกิดของวัตตะนั่นะนะเพราะฉะนั้นตันหาอาวิชากรรมเป็นตัวหลักๆที่ทําให้เกิดในวัตตะนั่นะนะนะทีนี้วัตตะที่ที่เวียนว่ายตายเกิดเป็นไปในลักษณะนี้ทีนี้ถ้าจะดับวัตตะดับได้ยังไงก็ตรงกันข้ามกับอวิชชา ตรงกันข้ามกับตันหาท้าละอวิชาได้ละกรรมได้ถ้าละตันหาได้ละกรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าละอวิชาตันหาผู้นั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ผู้ที่มีปัญญารอบรู้ลักษณะนี้เรียกว่าผู้ที่มีทรัพย์คือปัญญาเนี่ยนะปัญญาที่รู้เหตุเกิดของวัฏฏะสงสารแล้วก็รู้ข้อปฏิบัติเพื่อความดับวัฏฏะสงสารแต่จะดับได้หรือไม่ได้ต้องอาศัยข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะ แต่ว่าสำคัญที่สุดต้องมีซับอันนี้ก่อนหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งเขาบอกว่ามีความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมนั่นเองเรียกว่ามีปัญญานนแต่ไม่ใช่ว่าโดยพยัญชนะเฉยๆนะว่าโดยพยัญชนะเฉยๆนะี่มาท่องได้ตั้งอายุสิบกว่าขวบแต่หมายถึงเข้าใจอย่างเต็มที่ อริยทรัพย์ทั้งเจประการนี่นะเป็นสิ่งที่มีอุปการะมาก น, น, นะนะเมื่อไหร่ที่มองเห็นทรัพย์ทั้งเจ็ประการนี่ว่าเป็นสาระเมื่อนั้นก็ได้ดีแล้วนะแต่ทั่วๆไปนะเขาถือว่าเขาเสียนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มีอยู่ในนี้นะปุถุชนทั่วไปถือว่าถ้ามีสิ่งเหล่าเนี้ถือว่าเสียละใช่ไหมจริงๆแล้วนั่นคือทรัพย์นะ ทีนี้ธรรมะที่ควรเจริญก็คือโพชฌงเจ็ดเนี่ยนะโพชฌงเจ็ดแปลว่าโพธีนะมาจากโพที่บวกองค์องค์งงก็แปลว่าสิ่งนั้นอ่ะไม่ใช่สิ่งเดียวเนี่ยนะต้องมีหลายๆอย่างเข้ามาประกอบกันโพธิแปลว่าตรัสรู้โพชฌงก็แปลว่าองค์ธรรมะที่จะทําให้ตรัสรู้นั่นเองเนี่ยนะอ ง, งแห่งธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้หรือตรัสรู้ได้เพราะมีองค์ธรรมะเหล่านี้ทําให้ตรัสรู้ นั้นการตรัสรู้จริงๆนี่ไม่ใช่อาศัยองค์เดียวเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วตัวที่ตรัสรู้มีอย่างเดียวนะคือข้อสธรรมวิจยะสามโพชงถ้าเปรียบเทียบอุปมาเหมือนกับมีดธรรมวิจยะสามโพชงเนี่ยเหมือนกับคมมีดโพชงที่เหลือเหมือนกับสันมีดด้ามมีดนั่นนะปลอกมีดเป็นต้นะนะลักษณะนั้นแต่ว่าไอ้ตัวที่ตัดกิเลสจริงๆอ่ะคือตัว ตัวคมใช่ไหมตัวที่ตัดจริงๆได้อาศัยคมแต่ว่าคมอย่างเดียวอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบอย่างอื่นๆอันโพ่อชงก็คือองค์ทั้งทั้งเจประการเหล่านี้ทำให้ตรัสรู้ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโพ่อชงนั้นคงจะได้กล่าวในภาคกลงคืนนะพ่อชงบับพระอีกระยะหนึ่งก่อนส่วนธรรมะที่จะกล่าวต่อไปคือธรรมะที่ควร กำหนดรู้เนี่ย น, นะหมายถึงวิญญาณทิติเจประการเนี่ย น, นะวิญญาณทิติวิญญาณในที่นี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณนะไม่ได้หมายถึงวิญญาณทั่วๆไปหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณเนี่ย น, นะปฏิสนธิวิญญาณ น, นั้นเกิดที่ไหนบ้างก็มีอยู่เจดแห่งเนี่ย น, นะ ปฏิสนธิวิญญาณอย่างที่หนึ่งเาเรียกว่านนนะนนตัวแรกหมายถึงกายนนที่สองหมายถึงจิตณก็นานานะต่างๆเซนเรียกว่ามีร่างกายที่แตกต่างกันมีปฏิสนธิจิตที่แตกต่างกันเช่นท่านบอกว่าเช่นมนุษย์ Ada, เทวดาวินิบาตว่าโดยร่างกายมีใครกายเหมือนกันบ้างถึงรูปกายนะร่างกายจะดูเหมือนกันแต่กิริยาท่าทางจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถือว่าร่างกายนี้แตกต่างเนี่ยนะต่างโดยเช่นต่างโดยสีต่างโดยเสียง ต่างโดยกลิ่นต่างโดยอิริยาบทเนี่ยนะหรือต่างโดยกิริยาก็มีความแตกต่างกันไปส่วนทรงสันฐานผิวพันธ์ก็แตกต่างกันหมดนะทั้งมนุษย์เทวดาและวินิบาตหรือแตกต่างกันโดยจิตจิตที่ปฏิสนธิบางพวกเป็นติเหตุบางพวกเป็นทวิเหตุบางพวกเป็น อาเหตุที่นําเกิดนะมนุษย์พวกอาเหตุก็ได้แก่พวกไม่เต็มทั้งหลายแหละเ น, นีะบ้าใบาบอดหนวกบ้าใบาบอดหนวกชนิดที่เรียกว่าตั้งแต่เกิดเลยนะแล้วก็ไม่ฉลาดไม่มีสติปัญญาอะไรเลยปัญญาอ่อนครั้งก่อนไปเห็นเด็กอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่านี่ลูกของคนนั้นนะลูกคนนั้นคือลูกเพื่อน น, นนะเนี แ, แล้วมีก็อายุเท่าไหร่ บ, บอกสี่ขวบมาสี่ขวบยังก็เด็กขวบเดียวอ่ะนะมันบกวสุดยอดปัญญาอ่อนเลยคื อ, อเด็กคนนี้เนี่ยแม่ไม่อยากได้แม่ไม่อยากได้ก็ไปทำแทงไอ้เด็กมันดันไม่ตายเ <c oughs> น, น, นะนะมันก็มีบุญเยอะนะเ <c oughs> นานนะ พอเด็กไม่ตายปั๊บออกมาแล้วปัญญาอ่อนพอมาปัญญาอ่อนนะยายเลี้ยงะนะทุกอยู่ที่ยายนั่นนะนั้นสี่ขวบนี้ยังก็เด็กหนึ่งขวบเท่านั้นเองอ่นะนั่งแล้วก็วน้ำลายยืดยิ้มยิ้มได้ทั้งวันอย่างเงี้ยนะลักษณะนั้นพวกนั้นเป็น อ, อ, อ, อาเหตุกะอาเหตุกะจริงให้เต็มเเป็นหอเหตุกะปฏิสนธิอเหตุกะิาว่า ไม่มีเหตุที่เป็นโสพณะเลยอ่าไม่มีโสพณะเหตุอยู่ในนั้นเลย พ, เพูดโดยจิตที่เรียกว่าอุเบขาสันตีรณะเนี่ยนะที่เป็นกุวิบากเนี่ยนะที่เป็นกุศลวิบากอันนี้ชื่อเต็มหมายถึงว่าอุเบคาสันตีรณะจิตที่เป็นผลของมหากุศลแต่เป็นมหากุศลประเภททวิเหตเนี่ยนะ เป็นเป็นบุญที่เรียกว่าไม่ได้ทําด้วยปัญญาเลยแล้วเป็นบุญศัก์ที่ว่าศัก์แต่ว่าทําอ่ะนะเคยใส่ซองผ้าป่าแบบไม่เต็มใจบ้างไหมอ่านะนั่นแหละถ้าเจตานานั้นนําเกิดอ่ะผลมันจะมาลักษณะนี้หรือเช่นว่าเมาแล้วทําบุญอย่างเงี้ยนะเมาแล้วนึกอยากให้สตังเด็กเสิร์ฟอย่างเงี้ยนะคือคือให้ด้วยด้วยเจตานาให้จริงจริงอ่ะนะไม่ได้คิดอื่นหรอกแต่ว่าตั้งใจให้แบบให้ด้วยกุศลจิตอ่ะนะ แต่ว่าก็ตอนนั้นก็สลึมสลือเต็มทีแล้วละ่ะไอ้นั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญเป็นแต่ถ้าบุญพวกนั้นนํามาเกิดนะก็เป็นกลุ่มเนี่ยถามว่าดีไหมบอกดีกว่ า, าบายเอาก็ดีกว่ า, าบายไหมพอนะเวลาเห็นเดราชานะเน่ยเจริญมุทิตาได้เลยมุทิตากัมนมาเนี่ยังไงบอกว่ามดีกว่ามันตกนรกเยอะนะพวกนี่ อ้าวแล้วถ้าเจริญมุทิตากรรษัตริย์นรกเจริญยังไงบอกเจริญว่าอีกไม่นานมันก็พ้น ล, ล้เนี่ยนะพราะมันอีกไม่นานก็พลล้นะล้วเอาอย่างนี้ทั่วๆไปนะสมมุติถ้าเรามีอ่านะสำนวนน่ามีญาติเข้าคุกเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอีกสมมุติเขาเข้ามาแล้ว20ปีเนี่ยนะอีกหนึ่งปีเขาจะออกเนี่ยเราจะดีใจไหมมุทิตาได้ไหมอย่างงี้อันนี้ก็ได้มุทิตากรรษัตริย์นรกว่าเออเดี๋ยวไม่นานแกก็พลล้นแล้วนะ ก้เจริญมุทิตาได้หมดเลยพวกทวีเหตุก็คือก็คนทั่วๆไปแต่ว่าไม่ฉลาดอะไรเลยเนี่ยนะไม่มีความรู้ความสา ม, มารถอะไรก็ก็สำนวนว่าพวกพัฒนาไม่ขึ้นวพวกกลุ่มนี้เนี่ยนะถามว่ากลุ่มไหน นึกถึงอาจารย์สุธรรมมา น, นะบอกพวกแข็งว่าพระพุทธเจ้าสอนไปโปรดไปไม่ค่อยได้เพางั้นนะกลุ่มนั่นแหละอาจารย์สุทันนะคือกลุ่มพวกชนกลุ่มมิรักขาทั้งหลายแหล่ที่ไม่มีการศึกษาสอนไม่ได้เลยเนี่ยนะสักแปลว่ามีชีวิตอยู่เท่านั้นเองนะอันนี้เป็นกลุ่มทวีเหตุเนี่ยนะนะส่วนกลุมก่มติเหตุก็เอาพวกเรากันแล้วกันแต่ทวีติเหตุนี้ก็มีหลายเกรดอีกนะเพราะว่าไปตามเกรดพวกนั้นอีก ม, มันมต่อมาจากตรงต้เมือั ะ, ะแต่ว่ากในอมมใช่ะแจมผ่านใช่ใชก็ก็สิ่งเดียวกันขยายออกมาเท่านั้นเองใช่เพราะนั้นคำว่ากายเนี่ยนะก็หมายถึงเนี่ยต่างๆจิตหมายถึงปฏิสนธิจิตที่เป็นทวิเห ต, ติเหตุอาเหตุอันนี้อย่างที่ที่หนึ่งนะอย่างที่สองข้อที่สองอ่พวกไหนอ่มีร่างกายต่างกัน แต่ว่าปฏิสนธิจิตเหมือนกันเอก็เอกะไงเหมือนกันณก็หนานานานะเกษสำรวนว่านอ น, นูเนี่ยหมายถึงต่างๆ อ, าอ่างหมายถึงเหมือนกันเอกะมาจากหนึ่งนะทีนี้พวกนี้เช่นอะไรบ้างาเช่นพวกอบายสีทั้งหลายแหละ อบายทั้ง4นี้มรีร่างกายที่แตกต่างกันออกไปแต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกันหมดเลยคืออุเบกขาสันติรณะที่เป็นอกุศลวิบากเหมือนกันปฏิสนธิจิตนะมันจะว่านรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเกิดที่ไหนภูมิไหนจักรวาลไหนก็อุเบกขาสันติรณะเหมือนกันว่าโดยเจตสิกก็มีเจตสิกไม่กี่ดวงเท่านั้นแหะที่อยู่ในนั้นนะ นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เรียกว่ามีร่างกายที่แตกต่างกันและก็มีปฏิสนธิจิตเหมือนกันแล้วก็มีพรหมบางพวกด้วยนะพรหมระดับปฐมฌานภูมิพรหมปุโรหิตาพรหมปริสัชฌามหาพรห ม, มาปฏิสนธิจิตด้วยปฐมฌานดวงที่หนึ่งร่างกายนี้ไม่เหมือนกันคุณภาพร่างกายนี้แตกต่างกั น, น, นกลุ่มที่สาม กลมที่3านี่หมายถึงอะไรมีร่างกายที่เหมือนกันแต่ปฏิสนธิจิตต่างกันพวกนี้หมายถึงพรมอีกเหมือนกันพรมประเภทชาญที่มีวิตกเนี่ยนะชาขออภัยชาญไม่มีวิตกมีแต่วิจารอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองบอกว่าไม่มี ไม่มีวิตกไม่มีวิจารพวกนี้เรียกว่าทุทติยาชาญด้วยกันเนี่ยนะต่างกันตรงที่พวกมีวิตกกับอขออภยัยพวกมีวิจารกับไม่มีวิจารพวกที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารเนี่ยเป็นทุติยาชาญโดยปัญจกะใน พวกที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ก็เป็นทุติยชาญโดยจะตกกนไหนแต่ว่าเรียกรวมๆคือกลุ่มทุติยชาญ น, นะกลุ่มทุติยชาญพวกนี้ปฏิสนที่จิตไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงนี้คือพรหมบางพวกมีปฏิสนที่ขออภัยพรหมบางพวกมีวิจาร์บางพวกไม่มีวิจารณ์แต่ร่างกายเนี่ยกลุ่มเดียวกันอ่ะอัปปามะปริตตาสุภาอัปมามะสุภาอาภัสราเนี่ยนะพรหมพรหมสามชั้นเนี่ย ปฏิสนที่จิตที่แตกต่างกันอย่างนี้แต่ว่าร่างกายจะมีรสมีออกเหมือนกันรสมีออกเป็นช่อเป็นช่อพุ่งออกจากตัวเนี่ยนะปริตตะสุภาอัปประมาณะสุภาและอภัสราดีไหมละ่ะดีจริงมันยากเลยคัะไปไม่ถึง อันนี้ที่ต่อไปนะอ่ะออเหมือนกันทั้งร่างกายและปฏิสนธิจิตอันนี้หมายถึงพรมชั้นอัอปปมิอัปปิตตาสุภาอัปปมานัสุภาเนี่ยนะเวหัพลาพวกเนี้ยกลุ่มพรมตติยะชาญจตุทชาญกลุ่มเนี้ยมีร่างกายเหมือนกันปฏิสนธิจิตก็เหมือนกัน นนะส่วนกลุ่มที่5อากาสาอากาสาัญจายตนะกลุ่มที่6วิญญาณัญจายตนะกลุ่มที่7อากินจัญญายตนะตอนแรกผู้เน้นที่ปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นพบที่มีปฏิสนธิจิตมีอยู่เจดพบเท่านั้นแต่มีอายตนะอีกสองที่ยังไม่ได้พูดถึงนั น, นะ อายตนะสองคืออสัญญาสัตว์และเนวสัญญานาสัญญาอายตนะถ้าวิญญาณทิติเจบวกอายตนะสองเป็นเป็นสัตวเก้าน9นะวิญญาณทิติเจสัตวะเกจริงๆแล้วมาจากขยายคำว่าพบสามกำเนิดส คติ5วิญญาณที่ติ7แล้วก็สตาวาส9เนี่ยนะอันนี้คือแล้วแต่ใครจะชอบย่อหน่อยก็พบ3กันแล้วกันพิสดารหน่อยกาเนิด4มากขึ้นกว่านั้นคติ5มากกว่านั้นวิญญาณที่ติ7มากกว่านั้นสตารวาสเกเพราะฉะนั้นเวลาจะอธิบายนะก็อธิบายกลับไปกลับมาได้โดยที่ไม่ผิด นั้นใครจะเอาภพสามไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดก็เอากำเนิดสี่มาที่บายภพสามไงนะเอากำเนิดสี่เนี่ยพูดจบแล้วไม่รู้จะเอาทธิบายก็เอาภพสามมาที่บายอธิบายกลับไปกลับมาได้ก็สิ่งเดียวกันเพื่อความเข้าใจที่ที่ถูกต้องอันอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยนะเรียกว่าวัตตะสงสารวัตตะวัตตะนี้โดยสาบเนี่ยหมายถึง ทั่วไปเขานิยมแปลว่าวนใช่ไหมคาว่าวนเนี่ยเนื่องจากอะไรตอนแรกก่อนพูดถึงกรรมกรรมเป็นเหตุให้มีวิบากวิบากทําให้เกิดกิเลสกิเลสทําให้ทํากรรมอันนี้คือลักษณะของคําว่าวัตตะองค์ประกอบอย่างนี้ชื่อเต็มๆเขาเรียกว่ากรรมวัตวิปากวัตกิเลสวัตเรียกว่าวัตตะสามเนี่ยนะวัตตะเหล่านี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไร ก็มาคือสังสาระเป็นชื่อของขันอายตนะแล้วก็ธาตุที่สืบเนื่องเป็นไปไม่ขาดสายเรียกว่าสังสาระแล้วมาเรียกรวมๆย่อๆว่าวัตตะสงสารแปลว่ากรรมเป็นเหตุแกว่วิบากวิบากเป็นเหตุแก่กิเลกกิเลสเป็นเหตุให ทำกรรมเนี่ยนะแต่ว่าตรงๆพอขยายละเอียดลงไปก็มีแต่ขันอายตนาธาตุที่ไหลเป็นกระแสเรียกว่ากระแสแห่งวัตตสงสารทีนี้กระแสแห่งวัตตสงสารที่เป็นไปอย่างนี้คืออะไรพบสกํกำเนิด4ี่คติหวิ ญ, ญญาณทิติเจดตาวาสเกในหมู่สัตว์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะ อันนี้เราก็คงเห็นภาพของวัตตะสงสารแบบนี้ทีนี้ในสี่าชื่อนี้นะตัวที่แต่และชื่อนั้นบ่งถึงตัวขันธาตงนั้นหรือว่าขันับ้นอนบง่งถึงขั น, ขนอายตนะธาตุอย่างแตะตัวแรกเนี่ยพบสาเนี่ยฟังฟังดูนที่เป็นสถานที่ไปก็